นานมาแล้วใจกลางของอีบมีวังอยู่ทั้งหวังแต่ไม่ได้วยความตกเศร้าเนื่องจากพระราชาําลังจะสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากการป่วยของเขาหมอหลายคนพยายามจะช่วยเหลือเขาแต่ก็ไร้ประโยชน์ทั้งเมืองตั้งกิจอธิษฐานอย่างไม่หยุดหลังจากนั้นไม่กี่วันมีเรือมาวางสมองที่ท่าเรือ และคุณหมอวาเสียก็มาเขาบอกกับพนท้องถิ่นว่าเขาเป็นหมอรักษาร่างกายของพระราชาและเขาบอกว่าเขาอยากจะพบกับพระราชาออากาศบวยน่าเป็นห่วงแต่ก็ยังมีหวังอยู่มันยากแต่ก็เป็นไปได้ผมสามารถทำให้ท่านมองเห็นได้อีก ครั้งแต่ผมต้องการยาสีพึ่งพิเศษฉันจะไปหามาไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าท่านต้องการสำหรับตีพึ่งนั้นท่านแค่ทำให้พ่อฉันหายก็พอสีพึ่งที่ฉันต้องทำมีส่วนผสมของน้ำตาของปลาหัวทองท่านจะไปหาปลานั้นเจอในทะเลฉันมาที่นี่หนึ่งร้อยวัน ถ้าท่านสามารถหาปลาหัวทองมาให้ได้ทันเวลาฉันก็จะรักษาพ่อของท่านได้แต่ถ้าท่านหาปลาหัวทองมาไม่ได้ภายในหนึร้อยวันฉันก็ต้องกลับไปเจ้าชายและคนของเขาได้ออกจากวังทันทีทะเลอยู่ไม่ไกลออกไปจากวังเจ้าชายและคนของเขาจะไม่หันหลังกลับมาถ้าไม่เจอปลาหัวทอง 2เดือนผ่านไปก็ยังไม่เจอกับปลาหัวทองและแล้ววันที่หนึ่งรยก็มาถึงมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่วันสุดท้ายจะสิ้นสุดลงแม้ว่าฉันจะหาปลาเจอตอนที่ฉันไปถึงวันคุณหมอวาเตียก็คงจะกลับไปแล้วฮ่าแต่ฉันจะต้องไม่หยุดฉันจะดำน้ำอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วเขาก็ดำน้ำลงไปและครั้งนี้ด้วยความเชื่อเขาก็เจอกับปลาหัวทองและเขาก็จับปลามาใส่ไว้ในโถแต่ว่าตอนที่เขากำลังจะเรียกคนของเขาให้กลับวังเขามองไปที่ปลาที่ไม่ขยับตัวปลามองเขาด้วยความน่าสงสารแม้ว่าคุณหมอวาเซียจะกลับไปแล้ว แต่ยังไงพวกฉันก็ต้องทำการทดลองต่างๆกับเจ้าปลานี่ฮ่าฉันทำไม่ได้แต่ว่าฉันจะเป็นคนยอมรับโทษเองสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากพ่อแม่ก็คืออย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์แบบนี้เขาปล่อยปลาลงไปในน้ำและกลับไปที่วังแต่ว่าความใจกว้างของเขาไม่ส่งผลดีสักเท่าไหร่ เจ้าปล่อยหมาไปเหรอกล้าดียังไงเอาตัวเขาไปขังคุกทุกคนรู้ดีว่าเมื่อใครก็ตามที่ถูกสงตัวไปขังในคุกนั้นคนนั้นจะไม่มีทางได้กลับมาอีกเลยแต่เจ้าชายยอมรับโทษของเขาและจากไปคืนนั้นราชนีได้แอบเข้าไปในที่ที่เจ้าชายถูกขังโอ้ลูกแม่ ตอนนี้พ่อของลูกกำลังโกรธอยู่เมื่อเขาหายโกรธเขาจะสำนึกผิดกับการกระทำของเขาแต่ลูกต้องออกไปจากที่นี่ก่อนตอนนี้แม่จัดการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่แม่ครับแม่รู้ว่าแม่ท้าทายคำสั่งของพระราชาแต่ว่าลูกคือสิ่งเดียวที่เมืองมีอยู่แม่ต้องปกป้องลูกเจ้าชายถูกนำไปที่ประตูลับที่ทางแม่น้เปิดประตูไว้เรือได้ร อ, รอเขาอยู่ตรงนั้น เขาโบกมือลาแม่ของเขาอย่างเศร้าใจและเริ่มการเดินทางของเขาหลังจากที่ล่องเรือมาทั้งคืนเขาหยุดที่ท่าเรือเพื่อพักเขาได้เดินไปซื้อผลไม้เขาถูกทักทายด้วยเด็กหนุ่มอาหรับท่านครับท่านเพิ่งเคยมาที่นี่ใช่ไหมใช่มีอะไรเหรอนายเป็นใครผมเป็นชายยากจนที่หางานอยู่ท่านต้องการคนรับใช้หรือเปล่า อ๋อฉันสามารถหาคนมาร่วมภัยเหลือกับฉันได้แต่ว่าฉันจะจ่ายนอยยังไงท่านสามารถจ่ายผมด้วยอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะจ่ายตอนสิ้นปีเจ้าชายมีความสุขมากที่ได้หาคนช่วยร่วมเดินทางแบบไม่มีวันสิ้นสุดไปกับเขาเขาซื้อของที่จำเป็นและเริ่มการเดินทางไปกับชายหนุ่มอาหรับพวกเขาล่องเรือไปเป็นอาทิตย์ก่อนที่จะมาถึงท่าเรือ มันเหมือนจะเป็นเหมือนเล็กๆ เ, เราต้องอยู่ที่นี่เรามางกายจากมือของท่านมากแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถล่องเรือไปตลอดชีวิตได้แล้วเราต้องตั้งหลักที่ไหนสักที่เพื่อวันใดมือของท่านต้องการท่านเขาจะได้ตามถูกนายดูมั่นใจมากอะไรที่ทำให้นายคิดว่าพวกเขาจะกลับมาตามข้าผมแค่รู้สึกครับเจ้าชายและหนุ่มอาหรับ ได้ออกมาจากท่าเรือและออกเดินทางสำรวจเมืองมันเป็นเมืองที่สวยงามเขาเจอที่พักและเขาก็ติดพันกับการคุยกับคนที่ดูแลที่พักคนดูแลที่พักกล่าวว่าราชาเมืองนี้มองหาชายหนุ่มที่จะแต่งงานกับลูกสาวแสนสวยของเขาเขาพูดถึงความใจกว้างและความใจดีของเจ้าหญิงเมืองนี้หนุ่มอาหรับสังเกตว่าเจ้าชายของเขาได้ตกลุมรักเจ้าหญิงแสนสวย ที่ยังไม่ทราบชื่อเอาซะแล้วโอ้ท่านท่านต้องไปเจอเจ้าหญิงไม่ไม่พวกท่านไม่ควรไปเพราะว่าเธอโอ้ได้โปรดฉันมั่นใจว่านายท่านของฉันก็อยากแต่งงานเหมือนกันท่านท่านต้องไปอืมนายพูดถูกฉันจะไปพรุ่งนี้ด้วยตัวฉันเองเฮ้ยวันถัดมา ตามที่วางแผนไว้เจ้าถ่ายเดินเข้าวังด้วยความมั่นใจเขาเดินอย่างงดงามและโค้งคำนับพระราชาท่านฟาบาดข้ามาที่นี่เพื่อขอลูกสาวของท่านแต่งงานอย่างนั้นนะเหอก็ได้ฉันจะจัดงานแต่งงานให้ใช่ผมเข้าใจฟาบาดท่านไม่อยากรู้หรือว่าผมเป็นใครบลา ไม่สาคัญหรอกนะ่ะนายจะอยู่ไม่ถึงเที่ยงคืนของวันแต่งงานนายรู้เรื่องนี้ใช่ไหมอืเออไม่ครับฝาบาทผมอาจจะพลาดข้อมูลสำคัญไปบางอย่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วยพูดให้เข้าใจทีอ๋อลูกสาวของฉันแต่งงานกับชายมาหนึ่งคนแล้วจนถึงตอนนี้และไม่มีใครอยู่รอดเกินเที่ยงคืน และนายสามารถใช้เวลาคิดทบทวนคำขอของนายอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้านายต้องการเจ้าชายหยุดคิดสักพักและบอกกับพระราชาว่าเขาจะกลับมาในวันพรุ่งนี้เพื่อแต่งงานกับลูกสาวของพระราชาและเจ้าชายก็กลับที่พักนายต้องบ้าไปแล้วแน่แน่เพื่อน ตอนนี้เจ้าหญิงกำลังมีปัญหาอยู่และต้องถูกครอบงำอยู่แน่ๆเลยฉันต้องช่วยเธอผมว่าแล้วว่าท่านจะไม่ยอมถอยเราต้องไปสู้กับพวกที่ครอบงำเจ้าหญิงด้วยกันงานแต่งงานเป็นไปตามพิธีทุกคนกำลังตกแต่งงานแต่งให้สวยงามแต่ทางด้านหลังหลุมศพของเจ้าชายก็ถูกขุดขึ้นมาทุกคนมั่นใจว่า ชายหนุ่มต่างแดนนี้จะเป็นคนที่193ที่จะเสียชีวิตหลังจากการแต่งงานเมื่อการแต่งงานเสร็จสิ้นเวลาเที่ยงคืนก็มาถึงเจ้าชายนั่งอยู่บนเก้าอี้จรองข้ามภรรยาของเขาเจ้าชายไม่รู้ว่าหนุ่มอาหรับอยู่ภายในห้องเดียวกันและก็ซ่อนตัวอยู่ในตู้เขารอที่จะปกป้องเจ้าชายของเขาอย่างเต็มที่ นาฬิกาส่งเสียงดังมันถึงเวลาแล้วมีงูค่อยๆเลื้อยออกมาจากแขนเสื้อของเจ้าหญิงอย่างชา้ชาๆและเจ้าชายก็พร้อมที่จะสู้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นทันทีทันใดมันมีเสียงเพลงในอากาศและเจ้าชายก็เห็นงูเข้ามา ใ, ใกล้แต่ว่าเขาและเจ้าหญิงไม่สามารถที่จะขยับตัวได้ มันคือเพลงที่ทำให้คนที่ได้ยินหยุดการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามเพลงนั้นทำอะไรกับหนุ่มอาหรับไม่ได้เขารีบออกมาจากตู้เสื้อผ้าและจับงูที่คอของมันแล้วเพลงก็หยุดลงหลังจากนั้นเจ้าหญิงและเจ้าชายก็เคลื่อนไหวได้ตามปกติหนุ่มอาหรับได้จับงูใส่ลงไปในถุงผ้าและปิดถุงลง เดี๋ยวนะเป็นไปได้อย่างไรนายไม่เป็นอะไรกับเพลงนั้นเลยเหรอมันไม่สำคัญหรอกเจ้าชายสิ่งที่สำคัญคือท่านปลอดภัยแล้วคำสาบของเจ้าหญิงถูกปลดปล่อยเจ้าหญิงและเจ้าชายกอดกันแล้วร้องไห้ที่ได้เจอกันแค่นั้นยังไม่พอสองสามวันหลังจากนั้นคนส่งสารมาที่เมืองเขาถามหาเจ้าชายเพื่อที่จะบอกข่าวดี เจ้าชายพ่อของท่านมองเห็นแล้วราชดีได้บอกเรื่องการหนีออกมาและอยากให้ท่านและเจ้าหญิงกลับไปที่วังการเดินทางได้ถูกจัดเตรียมในทันทีเจ้าหญิงและเจ้าชายรวมถึงหนุ่มอารับได้โบกมือลาพระราชายังมีความสุขเมื่อไปถึงชาวอียิปต์ได้ดีใจและปลาบปลืมมากการเฉลิมฉลองดําเนินต่อไปเป็นวัน แต่ก็ไม่นานมันถึงเวลาที่หนุ่มอาหรับจะต้องไปทำไมล่ะนายอยู่ที่นี่ต่อได้ฉันไม่เคยคิดว่านายคือคนนับใช้เลยนายคือเพื่อนของฉันนั่นคือความมีน้ำใจของท่านนะเป็นคุณลักษณะที่ทำให้ผมมาเจอกับท่านได้ฉันไม่เข้าใจปลาอย่างพวกเราความจำดีครับท่านปลาเหรอใช่ มอมฉันคือปลาหัวทองตัวนั้นที่ท่านเคยช่วยชีวิตไว้และตอนนี้ท่านก็กลับมาเมืองของท่านแล้วผมก็ต้องกลับไปในที่ของผมผมจะเป็นเพื่อนของท่านตลอดไปเจ้าชายของผมผมจะอยู่ข้างๆคอยปกป้องท่านอนายช่วยให้ฉันได้กลับบ้านฉันฉันไม่สามารถห้ามให้นายไม่กลับไปได้เจ้าชายกอดเพื่อนของเขาและมองเขาจากไป เขามีน้ำตาในตาของเขาแต่เขาก็มีอรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเจ้าชายมักไปเยี่ยมเพื่อนของเขาที่ทะเลเขาเป็นเพื่อนกับปลาตราบนานเท่าที่เขามีชีวิตอยู่